หลวงพ่อไปเทศมาหลายประเทศนะ ไ, ได้เห็นประเทศอื่นก็ดีเหมือนกันทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นอย่างเราอยู่เมืองไทยมาแต่ไหนแต่ไรนะเรามองภาพคนไทยไม่ออกถ้าเราไปเห็นประเทศโน้นประเทศนี้นะี่มองออกมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดมันก็ไม่ได้เลวอย่างที่คิดหรอกแต่และชาติก็มีดีมีเลว เห็นคนประเทศอื่นนะเขาน่าสงสารเขาก็เป็นคนดีนะแต่เขาไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าความดีเขามันมีขอบเขตยือดีได้แค่ดีนะั่นแหละคำสอนพระพุทธเจ้ามันเลยนั้นไปอีกคนชั่วก็ทูกแบบคนชั่วคนดีก็ทุกแบบคนดีมีคำสอนพระพุทธเจ้าเลยไม่มีคน ไม่มีคนมันก็เลยเหนือดีเหนือชั่วมันก็เลยเหนือทุกข์ไปด้วยเราจะเรียนนะจนกระทั่งวันหนึ่งเราอยู่เหนือความทุกข์ได้โลกนี้คือตัวทุกข์นี่สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามเป็นตัวทุกข์โลคุตตะระเหนือโลกพ้นไปจากรูปนาม ก็ผลได้โอ้มีความสุขมหาศาลรูปนามเป็นตัวทุกข์พวกเราหัดภาวนาใหม่ๆที่จิตมันวางอารมณ์ได้อารมณ์มันย้อมจิตอย่างความโกรธมันคล่อมงำจิตเรามีสติขึ้นมาความโกรธมันแยกออกไปจิตมันวางอารมณ์จิตมันพ้นไปจากความโกรธจิตมีความสุข เคยเห็นไหมจิตที่จับอารมณ์กับจิตที่ปล่อยอารมณ์เราเห็นแล้วภาวนา ม, มาช่วงหนึ่งก็เห็นลอายตัวนี้ง่ายพอจิตวางอารมณ์ได้มีความสุขแต่เรายังไม่เคยเห็นจิตวางรูปวางนามบางคนอาจจะเริ่มเห็นนะ้เห็นจิตมันปล่อยมันไม่ยึดกายไม่ยึดจิตภาวนานะบางทีพวกที่ดูจิตเนี่ย จิตมันพัฒนาเร็วปัญญาไปก่อนเลยมันไปได้เร็วปัญญามีลักษณะทะลุทะลวงยันเดินด้วยปัญญามันไปได้เร็วทีมันก็ดูจิตดูจิตอยู่จิตมันวางจิตลงไปแต่แป๊บเดียวมันก็ไปหยิบขึ้่มมาใหม่แล้วจิตวางลงไปเห็นไหมว่ามันมันสบายกว่ากันเยอะเลย จิตยังหยิบสวยจิตอยู่ก็มีความทุกข์ถ้าไม่เคยวางนะจะไม่รู้หรอกว่าการถือยึดถือจิตอยู่เป็นทุกข์แต่ถ้าจิตเคยวางจิตสักครั้งหนึ่งนะแล้วมันไปหยิบขึ้นมาใหม่จะรู้เลยว่ามันหยิบออกก้อนทุกข์ขึ้นมานะเนการภาวนานะจะเป็นละเอียดเป็นชั้นชั้นไปทีแรกวางอารมณ์ได้ สุดท้ายมันจะวางรูปนามได้พวกดูจิตบางทีก็วางจิตกายง่ายรู้สึกไหมกายกับจิตมันแยกออกไปจัดกันง่ายอยู่แล้วละ่ะวางกายนง่ายแต่วางจิตนี่ยากบางคนได้ริมรถการที่จิตปล่อยวางจิตเป็นขณะวางอารมณ์ก็มีความสุขนะวางรูปก็มีความสุข พวกเรารู้สึกไหมกายกับใจโคละนรู้สึกไหมบางทีก็มารวมเป็นอันเดียวกันบางทีก็แยกตอนที่แยกรู้สึกมีความสุขไหมตอนที่กลับไปรวมรู้สึกทุกข์ไหมแต่ก่อนรวมอยู่นะไม่ทุกข์แล้วพอจิตกับกายแยกเอาออกากกันแล้วพอมารวมอีกทีทุกข์ละเห็นทุกข์แบบเดียวกันนะพอมันวางจิตแล้วพอไปหยิบจิตขึ้นมาเฮานี่โห้จิตนี่ตัวทุกข์แต่ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ ยนศีล ส, สมาธิปัญญาเนะี่ยแก่รอบเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไประหว่างรูปกระ nam เนี่ยจะปล่อยรูปก่อนแค่เราหัดเบื้องต้นเนี่ยเรายังปล่อยได้แต่ปล่อยได้เป็นค่าวๆเดี๋ยวก็หยิบอีกปล่อยกายออกไปจิตกับกายแยกออกเดี๋ยวก็หยิบใหม่วันที่ภูมิธรรมของเราถึงระดับระดับนีนะ้ระดับที่สจิตจะวางกาย แล้วไม่หยิบอีกละจะมีความสุขมากเลยนะจิตจะเด่นดวงขึ้นมาแต่ยังไม่ยอมวางจิตท่านที่เดินมาทางกายเนี่ยบางทีท่านมองไม่ออกว่าต้องวางจิตด้วยพวกที่เดินดูจิตดูจิตมารู้แล้วว่าต้องวางจิตถ้าจิตนี่เป็นตัวทุกข์แต่มันวางไม่ได้นะจนกว่าวันหนึ่งนะปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะ ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เห็นจิตเป็นตัวทุกข์นี่เรีกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งแล้วคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเลยเห็นอย่างนี้จิตมันจะวางจิตวางแล้วไม่หยิบมาอีกนะจิตใจมันจะแปลสภาพไปจิตของเราที่ผ่านมานะมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมา มีดีมีชั่วจิตชนิดใหม่เนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาแต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่บางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขามีเท่านี้เองดีชั่วไม่มีจิตที่มีความสุขพวกเราก็รู้จักอยู่บ้างความสุขมันก็มีเป็นชั้นชั้นไป จิตที่เป็นอิสระจ ร, จริงๆมีความสุขมหาศาลบางทีก็เป็นเวกขาครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่สุวัสด์ท่านเล่าหลวงปู่สุวั์ท่านเล่าว่าท่านวางจิตไปรวบขึ้นมากว้างทิ้งเลยเหมือนเวี่ยงลงเหวเ แล้วท่านบอกว่าโอยเรามีความสุขมหาศาลเลยถูกเหมือนจะตายเลยนะท่านว่าอย่างนี้นะในโลกมีแต่ทุกข์ปางตายแล้วภาวนาแล้วมีสุขปางตายบอเรามีความสุขอยู่ปีกว่ า, วาแล้วใจเราก็เป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขามันชินเนีความสุขการมหาศาลนะเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขานั้นมีความสุขมากนะหลวงพ่อก็มองหนะ้าท่านท่านเป็นอำมาตย์นั่งรถเข็น เกลือน้ำลายยังไม่ได้เลยนะท่านบอกท่านมีความสุขมากเลยสุขแท้นอสุขแท้นออย่างงี้ถ้าเราเป็นอย่างท่านเราต้องทุกแท้นอทุกแท้นอนะไม่สุขหรอกดูท่านท่านบอกให้ท่านเป็นอุเบกขามันไม่สุขเท่าแต่ก่อนดูโห่นี่ขนาดอุเบกขาน่ะเนี่ยเรายังทุกมากกว่าท่านเยอะเลยท่านสะอาดหมดโจดทั้งโห้สบายดีจัง เมื่อไหร่น้อจะได้อย่างท่านบ้างเริ่มเกิดมานะท่านดีเราไม่ดีนะเห็นเอ้ยกิเลสนี่วะก็ดวงอานะอันนี้เห็นมาตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะท่านเล่าให้ฟังเย่างแต่ท่านไม่บอกว่ า, วามารรล้ผ้าละหันเป็นอย่างนี้อะไรท่านไม่ได้พูดหรอกท่านพูดเรื่องว่าท่านรวบจิตถึงมาได้แลกว้างทิ้งลงเหวไปเลยพูดอย่างนี้ ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระอรหันหันไม่หันหไม่รู้วนะแต่ดูแล้วท่านมีความสุขเพราจิตที่ฝึกดีเนี่ยมีความสุขจริงๆไปเห็นครูบาอจารย์องค์อื่นนะตอนบวชได้ภรรษาที่หนึ่งนะออกพรรษาแล้วไปหาหลวงปู่สุวัตต้องรีบไปหรือว่าท่านจะไม่อยู่ล้วดูท่านก็มีความสุขมากทั้งที่ป่วยมาก ปวยจนเบลอเลยนะหมอโดบยาเข้าไปมากเบลอเข็นรถเข็นออกมานะเบลอไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตท่านตื่นทันทีเลยแล้วผมก็วางจิตลงไปท่านหึ <c oughs> แล้วผมก็หยิบขึ้นมาใหม่นะอกเฮี <c oughs> <c oughs> หยิบมาทําไม <c oughs> ไม่มีอะไรทิ้งไปเลยเราก็นึก <c oughs> หลวงปู่พูดง่ายเนาะทิ้งไปเลยก็มันไม่ทิ้งอ่ะพรรษาที่ 4. สี่พรรษาที่สี่นะนึกถึงหลวงปู่เลียนโอ้จะรอให้พ้นนิ ส, 5, สัยห้าพรรษาถึงจะไปกราบท่านไม่ทันครูบาจัดก็ไม่มาอยู่กับเรานะทิ้งเราไว้ลาพังท่านก็ไปของท่านคิดถึงหลวงปู่เลียนต้องไปกราบนั่งรถไปกราบท่าน นึกในใจหน้าอธิษฐานจะประคูลหลวงปู่อย่าถามพรนศานะให้หลวงปู่ถามธรรมะว่าภาวนาอย่างไรงจะตอบหลวงปู่อย่างห้าวหาญในหลวงปู่อย่าถามพรรษานะได้สี่พรรษาพระเนี่ยยังไม่พ้นนิสัยห้าพรรษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นี่หลวงพ่อภาวนาครูบาอาจารย์ท่านให้ฉายเดี่ยวเลยท่านบอกไม่ผิดพระพินัยถือว่าไปทํากรรมฐาน แต่ว่าวาดเสียวเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดไปถึงวัดท่านนะท่านก็พักอยู่เขาไปกราบท่านนอนอยู่บนเตียงแบบโรงพยาบาลนนะพระเขาไขเตียงให้กระดกขึ้นมาเรากราบท่านก็รับไหวพอนั่งทับเทียบเรียบร้อยชี้หน้ากี่พรรษา <laughs> แม่อุตษาหอธิฐานมาใสาอ่อธิฐานดังไปหน่อย <laughs> สี่ครับใช้ไม่ได้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์มาอย่างนี้ได้ยังไงบอกเราต้องดุนะนเพื่อรักษาพระวิ น, นัยเอาละเราดุเสร็จละ <c oughs> <c oughs> ท่านก็พูดกรรมาฐานกันท่านก็เล่านะเนี่ยเราท่านรูปจีวรท่านนะท่านปลื้มใจ เลื่การปฏิบัติของท่านนนะไม่ใช่มาเพื่มหลวงพ่อนะเพื่อท่านบอกว่าเราลำบากมาตั้งแต่หนุ่มๆ น, นะตั้งแต่เด็ก เ, เราภาวนาลำบากมากเลยแต่เราสบายแล้วเราต่อสู้มาอย่างเข้มแข็งเรามีความสุขเราจะได้ตายในผ้าเหลืองแล้วท่านรูปผ้าเหลืองท่านจะได้ตายในผ้าเหลืองแล้วน้ำตาท่านคลอเลย คนไม่เข้าใจโอ้ทำไมพระระดับนี้น้ําตาไหลได้มันเป็นธรรมปีติจะมาห้ามพระไม่ให้มีปีติไม่ได้ปีติก็เป็นอนัตตาเหมือนกันอย่างหลวงตามหาบัวใช่ไหมพูดถึงท่านภาวนาแตกหักน้าตาไหลพรากๆเลยมันปีติรอดมาได้ยังไงไม่ใช่ของง่ายเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็มนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะผ่านมาได้งไงนะอยากเห็นแสนเข็น แก่ทำมัปปิติดูท่านนะแก่ง่อมเลยนะท่านใกล้จะตายแล้วใกล้มรณะภาพแนละ้วนอนเขาขายเตียงขึ้นมาก็กระดกขึ้นมาแล้วเขาหย่อนลงไปก็หงายลงไปอีกเนี่ยท่านนึกถึงการปฏิบัติท่านไม่มีความห้าวหาัใคล้ายๆนักรบนะต่อสู้มาทั้งชีวิตแล้วมาเห็นนักรบรุ่นหลังเขท่านคึกคักขึ้นมานะท่านคึกคัก นีครูบาจารย์นะท่านภาวนาของท่านดีเราได้เห็นน่ะเราก็ต้องเอาบางไปคิดอย่างนี้เรื่องอะไรเราจะนอนจมกิเลสตายไปกับกิเลสถ้าตายก็ตก้องตายอย่างครูบาอจารย์อย่างนี้ตายอย่างมีสง่าราศีตายไปทีโลกาธาตุกระเทือนเลยประเภทท่านไม่ได้อยากให้กระเทือนหรอกมันกระเทือนใจกระเทือนใจคนว่าโห้เสียดาย คนดีตายไปแล้วแล้วคนชั่วตายโลกธาตุกระเถนะือนเหมือนกันนะเฮ้โลกธาตุเถือนเหมือนกันดูว่าเรามีกิเลสครูบาอาจารย์ดีเราต้องเอาอย่างท่านแต่ไม่ได้ขอไม่เคยขอเลยนะเจอหลวง ป, ปู่สวัตเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายเลที่เรียนกับท่านก็ไม่เคยขอว่าขอให้ผมได้มากผลรู้ว่าขอกันไม่ได้แต่เราดู ท่านพ่อหนังท่านยังไงท่านสอนอะไรเราทําตามท่านแล้วเราเดินตามท่านนะวันหนึ่งก็จงเจออย่างท่านเราอยากเป็นอย่างท่านแต่เราไม่ทําตามท่านมันจะไปเจออย่างท่านได้ไงไปขอเอาไม่ได้กินหรอกธรรมะขี้ขอไม่มีหรอกมีแต่ต้องลงทุนลงแรงเอานะคนไหนที่จิตตื่นรู้ตัวขึ้นมาเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายใจอยู่ส่วนใจ การภาวนาพอมันถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ยากแล้วมันเห็นกายกับใจแยกออกจากกันนะสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปละกูสอนอะกูสอนอะก็แยกนะโลภโกรดลงก็แยกออกไปจิต ท, ที่เาแยกมาเป็นคนดูถึงจุด น, นี้จะไม่ใช่ยากต่อไปแล้วล่ะเราจะเห็นขันมันทํางานของมันเองร่างกายก็ทํางานไปไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ทํางานของความสุขความทุกข์ไปเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไป มันไม่ใช่เราความดีความชั่วลบกลดหลงก็ไม่ใช่เรานะมันเกิดแล้วมันก็หายไปตัวจิตเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันถ้าเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจชาทิฏฐินะบางคนภาวนาแล้วว่าจิตเที่ยงเพี่ะพวกนี้สรงชนันจิตที่ทรงชันเนี่ยมันจะเกิดจิตในลักษณะเดียวกันซ้ำๆเนี่ยยาวนานมากถ้าเป็นพรหมนะ จิตที่เกิดซ้ำๆเนี่ยยาวเป็นกับๆเลยแบบโลกแตกเลยยังอยู่เลยมันเหมือนมันคงที่ก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงแต่ถ้าสติปัญญาเราเร็วเราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วมีช่องว่างนะมีช่องว่างมาคั้นนะ้ําโคลานกันจิตโกรธกับจิตที่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันโคโละดวงกันเนี่ยจะเห็นอย่างนะั้นมีช่องว่างมาคั้นเลยขาดออกจากกันเนี่ยเราจะเห็นขันมันทํางานนะ ร่างกายก็ทํางานไปหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนกินอาหารขับถ่ายไปไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ทํางานของความสุขความทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ในกายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆในใจความดีความชั่วก็ทํางานไปเดี๋ยวก็เกิดดีขึ้นมาเดี๋ยวก็ลภโปรดหลงขึ้นมาเกิดขึ้นในใจความจําได้หมายรู้เดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็หมายรู้ เดี๋ยวก็จําไม่ได้เดี๋ยวก็หมายรู้ไม่ออกเกิดขึ้นในใจความรับรู้ความรับรู้เดี๋ยวไปเกิดที่ตาเดี๋ยวไปเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่จิตไปเกิดได้หกช่องจิตที่ไปดูกับจิตที่ไปฟังมันก็คนละดวงกันจิตที่ไปดูกับจิตที่ไปคิดมันก็คนละดวงกันลองดูพระพุทธรูป ลองดูยอดท่านแล้วอย่าคิดให้ดูคิดไหมจิตที่ดูอันหนึ่งนะตรงที่แอบคิดเนี่ยไม่ได้ดูแลภาพที่มองเห็นจะเบลอไปตรงที่ใจไปคิดนะสังเกตไหมตอนที่เราดูเราเห็นชัดแวบเดียวแล้วเราต้องขยับลูกตาใหม่เพื่อจะดูใหม่ก็ชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็เบลอเลอไปอีก ดูออกไหมว่ามันชัดแว็บเดียวตรงที่เห็นชัดน่มันมีจิตที่เกิดที่ตาเรียกจักขวิญญาติจิตมันชัดชั่วขณะเท่า น, นั้นเองแล้วมันก็ดับจิตเราก็แอบไปคิดเรื่องน้น เ, เรื่องนี้บ้างตรงที่หนีไปคิดเนี่ยไม่เห็นนะดูไม่ชัดนะงั้นขณะที่เห็นก็ไม่ได้ยินไม่ได้คิด ขณะที่ฟังก็ไม่เห็นไม่ได้คิดขณะที่คิดไม่ได้เห็นไม่ได้ยินมันจะสลับกันเราไปฝึกสังเกตตัวเองไปดูโทรทัศน์เวลาเราดูโทรทัศน์เดี๋ยวเราก็ดูเดี๋ยวเราก็ฟังเดี๋ยวเราก็คิดจะสลับกันไปเรื่อยๆไม่ได้ดูกับฟังกับคิดพร้อมๆกันนะไปสังเกตตัวเองให้ดีขณะที่ดูไม่ได้ฟัง ขณะที่ฝั่งก็ไม่ได้ดูรูปที่เห็นนั้นจะเบลอไปละไม่ชัดนะ่นะอาศัยสัญญาความจําได้จํารูปได้ก็จําได้เหลือนๆนะในขณะที่คิดมีตาก็เหมือนไม่มีอย่างเวลาเราใจลอยเราคิดเรื่องนัน เ, เรื่องนี้เราลืมตาอยู่แท้ๆนะคนเดินมาเราไม่เห็นหรอกนะคนเดินผ่านหน้าเราเราไม่เห็นเลยเพราะเรากําลังคิดเรื่องนัน เ, เรื่องนี้ใจกําลังคิดอยู่ขณะที่ใจไปคิดก็ไม่เห็นรูป ฉะ น, นจิตเนี่ยเกิดทางตาหูจมูกลิ้นใจใจสลับกันไปเรื่อยๆแต่สลับเร็วอยงคนที่สติไม่ทันนะก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเที่ยงแล้วจิตเนี่ยทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันนะดูก็ได้ฟังก็ได้คิดก็ได้พร้อมๆกันแล้วสติยังไม่ไหวพอที่จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับไปสังเกตตอนดูโทรทัศน์เนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิด กรรมฐานหลวงพ่อมีดูโทรทัพด้วยนะอะไรก็ได้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่มีสติกำกับอยู่มีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ปัญญามันจะเกิดขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายกำลังนั่งรู้ด้วยใจนะว่าร่างกายกำลังนั่งลองพยักหน้าสิทุกคนลองพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้า ใจเราเป็นคนรู้นะลองอย่างนี้สิเห็นร่างกายสายหน้ารับสายพอแล้วเดี๋ยวเบียนหัวเห็นไหมร่างกายกาลังหายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะดูร่างกายที่กำลังหายใจเห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ตรงไหนตัวรู้อยู่ที่ไหนไม่ต้องหานะ แค่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจมันอยู่ต่หามเป็นคนดูไม่ต้องหามันเราจะเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันทันทีที่กายกับใจเป็นคนละอันเนี้ยกายจะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นพัดนี้ไหมพัดเป็นสิ่งที่พวกเรามาเห็นเข้ามารู้เข้าใครเห็นพัดเป็นตัวเราบ้าง ถ้าเห็นได้ต้องปรึกษาจิตแพทย์นะบองเรานะไม่ปกติแล้วสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนไปรู้ดูไปดูไปนะสุดท้ายจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ความดีความชั่วอย่างความโลภความโกรกความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้สุดท้ายจิตเองก็เป็นของถูกรู้ จิตเดียวก็ไปเกิดที่ตาจิตเดียวก็ไปเกิดที่หูจิตเดียวก็ไปเกิดที่ใจสุดท้ายหาตัวเราไม่เจอเลยนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราตัวรู้ก็ไม่ใช่เราอีกตัวรู้ไม่มีนะตัวเราไม่มีมอนไม่มีเนะี่ยดูไปดูไปนะปัญญามันปิ๊งขึ้นมาตัวเราไม่มีหรอกนะขันมีอยู่ แต่ไม่มีเจ้าของร่างกายมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความสุขความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความจำได้หมายรู้มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความด้หมายรู้มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความดีความชั่วมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความรับรู้คือจิตมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วสั่งไม่ได้เราจะสั่งว่าให้ตาดูตอนนี้ให้ดูอย่างเดียวสั่งไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียวสั่งไม่ได้ ห้ามคิดก็ห้ามไม่ได้ห้ามเห็นก็ห้ามไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเ น, นี่ยดูไปดูไปนะมันจะถอนความเห็นผิดว่ามันมีตัวมีตนได้สุดท้ายไม่มีตัวมีตนอะไรเพื่อนพวกเราไปหัดนะให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อก็ตัวรู้เนือ้อรู้ตัวมานั่งหายใจไปนี้แหละง่ายๆเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ามันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายกายับใจเป็นคนละอันกัน นั่งไปนานๆนมันเมื่อยก็เห็นว่าความเมื่อยกับร่างกายก็โคด้านกันเมื่อยมากๆใจชักจะกลุ้มใจกลัวจะเป็นอำมาตยกลัวจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ยกลุ้มใจเห็นในความกลุ้มใจไม่ใช่ความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นตัวรู้เนี่ยดูไปเรื่อยนะมันจะถอนความเห็นผิดได้ถ้ามันไม่มีเราแล้วเนี่ยใครจะทุก ขันมันทุกข์แต่ไม่มีเราทุกข์นะไม่มีเราแล้วใครทางานขันมันทำงานไม่มีเราทำงานตรงที่ขันมันทำงานเรียกว่ากริยาตรงที่เราทำงานเรียกว่ากรรมนะยิ่งเวลาที่จิตมันแก่รอบเต็มที่แล้วเห็นแต่ขันมันทำงานนะเราไม่มีเมื่อนั้นเรากระทะข้างเราก็ไม่มีนะเราไม่ได้กระทำอะไร สุขทุกข์ก็มาเองไปเองไม่ได้ทำตาก็เห็นรูปเองหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ร้อยกกระทบสัมผัสเป็นเองทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เราทำทายเห็นมีแต่ขันขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้า ข, ของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำแล้วใครจะทุกข์ล่ะขันห้ามมันทุกข์แต่ไม่มีใครจะเป็นทุกข์หรอก มนพลจากความเป็นเราไปไม่มีเราต่อไปแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายแก่เราจะทุกข์อะไรไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายพรัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ใช่เราเอางใจมันชอบอันนี้ใจมันเกลียดอันนี้มันไม่ใช่เรา เนฝึกไปฝึกไปนั้นเราไม่มีเราหายไปแล้วสิ่งที่มีคืออะไรในเมื่อรูปคือร่างกายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรับรู้คือจิตมันไม่ใช่เราแล้วตัวเป็นเราไม่มีแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ความสุขความทุกข์นี่เป็นตัวทุกข์เวลามีความสุขนี่มันบีบคั้นไหม เวลาความสุขเกิดข่้นบีบคั้นไหมมีความทุกข์บีบคั้นไหมมีความดีบีบคั้นไหมเป็นคนดีบีบคั้นมากนะอย่างหลวงพ่อชมโอ้ภาวนาดีคนนี้ถูกบีบคั้นหนักเลยนะกลับบ้านนีลเล่เ ล, เลยกว่าจะตั้งหลักได้อีกทีเดือนหนึ่งนะจริงนะดีก็อยากอยากดีคนนี้อยากรักษาถูกบีบคัน้นะเพราะอะไรดีมันไม่เที่ยง ดีมันทนอยู่ไม่ได้เราอยากให้มันทนอยู่ได้เราฝืนนะที่เรามีความทุกข์นะเพราะเราอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงเพราะอยากให้ของที่เป็นทุกข์มันเป็นสุขเพราะอยากให้ของที่มันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับไม่ได้อยากให้มันเป็นตัวเราอยากบังคับมันให้ได้มาพอนาจนเห็นความจริงความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงความรุงแต่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ สภาวะใดๆทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับใจยอมรับความจริงตัวนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะยอมรับตัวนี้ไม่ได้ไปอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงไปอยากของที่เป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขไปอยากของที่ไม่ใช่ตัวเราอยากให้เป็นตัวเรานิรันดร์ด้วยไปอยากได้ของซึ่งมันไม่มีจริงแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันไม่มีนะ สิ่งที่มีมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, บ, าบังคับไม่ได้ยอมรับตรงนี้ได้มันจะไม่ทุกข์กับความแปรปรวนของรูปของนามของกายของใจไม่ทุกข์กับความแปรปรวนของโลกอีกต่อไปนะค่อยพานานะอย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจนะเวลามีน้อยนะชีวิตเราสั้นทุกคนนะเวลาเนี้ยแพงนะเอาเงินซื้อไม่ได้แพงที่สุดเลย เราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเองหมดไปหนึ่งปีเวลาหนึ่งปีที่หมดไปนะแลกมาด้วยชีวิตหนึ่งปีนั้นเราซื้อไม่ได้มันเป็นของมีค่าที่สุดเลยอย่าทิ้งมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยนะดูกายดูใจทํางานไปนะเรื่อยๆนั่งส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน เห็นจิตที่มีทั้งโลภะโทสะโมหะเยอะๆเลยครับแล้วเห็นจิตที่เป็นกุศลบ้างไหมเห็นบ้างครับนะจิตดวงไหนเป็นกุศลมันมีจิตรู้ไปรู้ทันจิตที่คิดนะครับเออเท่านั้นได้สมาธิจิตสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่เป็นกุศลประกอบด้วยสติแต่ว่าส่วนใหญ่ใจคิดใจรักษซะเยอะครับเออคิดใจรักก็เรียกว่าฟุ้งซ่านในธรรมะนะคิดใจรักก็ก็ดีเหมือนกันแต่ดีไม่มาก ไม่แน่ใจว่าบางครั้งมันรู้ใจรักหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคิดครับเออถ้าคิดเอาอย่างไม่ดีนะหัดดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆนะเราใจรักแสดงเองขณะที่เราดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเนี่ยมันไม่พูดคําว่าใจรักให้เราฟังหรอกตรงที่มันปิ้งกว่าเป็นไจรักปิ้งขนาดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ถ้ามันดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่บอกหรอกว่านี่ใจรักจนะเห็นมาแล้วไปมาแล้วไปไม่ได้คิดอะไ ร, รนะ ตรงที่มันเข้าใจใจลังเข้าใจชั่วขณะแล้วมันก็ล้างกิเลสไปแต่ถ้าตรงนี้ก็ใจรักตรงนี้ก็ใจรักอั น, นี้คิดเอาเนียายใจรักไม่ใช่เรื่องคิดเอาใจรักต้องเห็นเอางั้นดูสภาวะไปเรื่อยไปฝึกไปสังเกตไหมว่าร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าได้เองมันยืนเดินนั่งนอนมันทํางานของมันนะมันไม่ใช่เราหรอกอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญตัญญาอยู่นะเราเห็นใน ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความสุขความทุกข์มาได้เองนั่นแหละเจริญปัญญาอยู่เห็นไหมรบตรวจลงมาเองไปเองนั่นแหละเจริญปัญญาอยู่นะเนหัดรู้ไปด้วยนะแล้ววันที่มันเข้าใจใ จ, ใจรักมันปิ้งขึ้นมาเลยใจรักคิดเอาไม่ได้หลวงพ่อคะเวลาเดินจงกรมอะคะ่ะตรงหัวจงกรมรู้สึกว่ารูัะ่ะค่ะแล้วพอเดินไประหว่างทางอะคะ่ะ พยายามรู้ร่างกายแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมันฟุ้งไปฟุ้งมาอย่างนะะี้ค่ะแล้วมันต้องบังคับกลับมาที่เดินไหมคะอย่าไปบังคับมันพอนฟุ้งเราก็หยุดเดินหน่อยรู้สึกตัวใหม่แล้วค่อยเดินอีกนะรู้สึกตัวสบายอย่าไปบังคับหนะ้าบังคับแล้วแน่นถ้าแน่นๆไม่ดีหรอกใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะั้นมันเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งถ้าถ้าจงใจจะแข็ง งันเดินจงกรมอยู่หัวจงกรมก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เดินบางคนพอเข้าหัวทางจงกรมนะไม่รู้สึกตัวนะจิตเดินก่อนร่างกายขายังไม่เดินในจิตก้าวไปก่อนแล้วใครเคยเห็นมั้ยจิตเนี่ยมันจะใจร้อนเนี่ยร่างกายยังไม่ทันจะก้าวนะจิตก้าวไปก่อนแล้ว <S <S นี่เดินไปแล้วเกิดเดินไปกลางทางรู้สึกตัวแล้วเดินเกิดมันหนีไปอีกหนีไปอีกก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวเราเดิน จำไว้นะเดินจงกลมเนี่ยเดินเอาสติเดินเอาปัญญาไม่ได้เดินเอาเวลาบางคนน่ะเดินหนึ่งชั่วโมงเดินให้ครบชั่วโมงนะดูนาฬิกาทุกห้านาทีเดี๋ยวสมนาทีดูอีกแล้วเดี๋ยดูไปด้วยพอครบชั่วโมงแล้วดีใจวันนี้ได้ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละพวกนี้เรียกว่าเดินล้างผ่านเวลาอีกพวกหนึ่งเดินเอาระยะทางฉันจะเดินไปกลับให้ได้ห้าร้อเที่ยวรีบจําใหญ่เลยพื่ได้จบ500้อยเร็วๆนะ ไม่ได้มุ่งเอาสติเอาปัญญานะใช้ไม่ได้หรอกงั้นเราเดินเอาสติ เ, เดินเอาปัญญาเดินรู้สึกตัวไปเห็นอะไรเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูถ้าใจมันหนีไปที่อื่นแล้วก็หยุดเดินกับรู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินใหม่ไม่บังคับว่าต้องรู้สึกนะแต่ถ้าเผลอเราก็หยุดนะแล้วรู้สึกเอาแล้วเดินใหม่เดินเป็นสุดทางยงกลมอย่าเพิ่งหันส่วนใหญ่พวกไม่ชํานนะาญนั้นพอสุดทางปุ๊บจิตจะหันก่อนกาย แล้วกายก็หมุนตามจิตมาเลยแล้วขาก็ก้าวต่อไปเลยตามไม่ทันตามจิตใจตัวเองไม่ทันเดินนะเดินให้มันได้จิตได้ใจนะถึงจะได้สาระหลวงปู่มั่นนะอ่านประวัติหลวงพ่อไม่ทันท่านนะท่านสิ้นปีเก้าสองพ่อไม่ทันท่านอ่านประวัติท่านท่านเดินจงกรมให้พวกชาวเขาดูนะชาวเขาถามว่าท่านมาเดินหาอะไรหาพุทโธ ชาวข่าวบอกเดี๋ยวช่วยหาไหมเห็นเดินหามาหลายวันแล้วเดินอยู่แถวเนี้ยพุทโธตกเหรอพุทโธมัหล่นเดี๋ยวช่วยหาเจะช่วยยังไงดีบอกให้เดินท่องพุทโธพุทโธไปสุดท้ายชาวข่าวก็ได้พุทโธพุทโธคือใจเรานั่นเองพุทโธใครละพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเมื่อเราเดินนะให้ได้จิตได้ใจนะ จิตนี้เป็นธรรมดวงวิเศษเลยได้จิตก็ได้ธรรมมาเสียจิตก็ เ, เสียธรรมไปก็เท่านั้นเองไปฝึกเอาวันหนึ่งก็จะได้วันนี้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์นะคะรู้สึกว่าสติตั้งมั่นมาถ้าตั้งมั่นต้องใช้คำว่าสมาธิตั้งมันม่นสติไม่ตั้งมั่นอ่ะสติ <ฮะ S 2> จับมีหน้าที่จับ สมาธิมีหน้าที่ตั้งมั่นปัญญามีหน้าที่ตัดอันไหนรู้ทันอันทิ้งอันไหนรู้ทานมันทิ้งนะมันตัดแต่และองครร์ทำแต่และสภาวะทำงานไม่เหมือนกันนะแล้วสวดมนต์รู้สึกว่าไปสบายมากเลยเออไม่ติดขัดนะออมีสมาธิห<ง>ลงมั่งอะไรมั่งออนะไม่มีสมาธิฉีเกนีไปหลงมสมาธิดนะีมีความสุข เนี่ยสติมันมีสมาธิมันมีเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นมาตลอดเลยเนี่ยตัวอะไรเป็นตัวรู้ร่างกายที่พยักหน้าสติเป็นตัวไปรู้ใจมันตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนรู้เห็นไหมคนละตัวกันแล้วเห็นไหมกายไม่ใช่เราเนี่ยตัวที่กระดุกกระดิ่งเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นตัวถูกรู้ตัวนี้ปัญญามันเกิดเนี่ยสติทําหน้าที่อย่างหนึ่งนะสติทําหน้าที่จับสภาวะได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น สมาธิตั้งมั่นเป็นความตั้งมั่นไม่เข้าไปยุ่งกับใครหรอกนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะแล้วตัวที่ว่าหลงและรู้ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮอฝึก บ, บ่อยๆนะก็ยังไม่ได้ใกล้ตัวเลยหนะลงไปแล้วรู้เนี่ยจิตจําสภาวะของการหลงได้แม่นพอไปหลงแล้วสติเกิดเองคือรู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ว่าหลงไปแล้วทันทีที่รู้ว่าหลงสมาธิจะเกิดเองเพราะขณะนั้นไม่หลงนะ สมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติสติก็จะอัตโนมัติแล้วต่อไปปัญญาอัตโนมัติไม่จะเกิดเ อ, อปล่อยตามธรรมชาติแล้วะอืะตามธรรมชาติออไม่ได้ตามธรรมชาติไหลลงต่ํา <laughs> แล้วค่อยมีสติตามรู้ไปดู <laughs> ดูมันสบายๆไปคือถ้าถ้าถ้าปล่อยนะฮะเราไม่แน่นมันไม่ไม่ดีคนเรปล่อยกัน <laughs> ถ้าของที่ยมพูดหมายถึงให้กายให้ใจเขาทํางานไป ลรามีหน้าที่แค่รู้ไปเฉยๆอย่างนี้ถูกะแต่ไม่ใช่ปล่อยแล้วขาดสตินะปลล่อยแ้้วรูคนในโลกเนี่ยปล่อยแล้วหนีไปเลยคือปล่อยปล่อยรู้รู้แบบธรรมชาติใช่ใช่รู้แบบธรรมชาติถูกเป็นของมันเองอยเใช่เป็นของมันเองไม่ใช่ของเราหรอกถูกไม่ทําอีกไปขอกันบ้านนะหลวงพ่อแค่นี้ก็เยอะแล้วไปทําอีกทําได้ทั้งชาติแล้วแค่เนี้นมาสการ์ต้าหลวงพ่อ รอเวลามาหกปีครับถึงได้เข้ามาปฏิบัติพอวันแรกมาก็รู้สึกดีใจจนฟุ้งเหมือนวันแรกก็กล้ากลัวๆครับปฏิบัติเกอไม่ได้พอพักวันหนึ่งวันที่สองเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วก็ อ, อยู่นี่ภาวนาดีมากครับเริ่มแยกกายแยกใจม า, จาห้าวันเนี่ยวันแรกนะฟุ้งทุกไหลทำไมฟุ้งทุกไหล มาจากโลกที่ฟุ้งสัน้นใจยังฟุ้งอยู่วันที่สองค่อยสงบลงหน่อยวันที่สมเนี่ยจะดีวันพุธนะพุธพฤหัสอะไรเงี้ยจะดีวันศุกร์เนี่ยบางคนจะเริ่มฟุ้งแล้วเตรียมกลับบ้านนะเป็นวงจรของมันอย่างนั้นแล้วในหนึ่งอาทิตนยะ์ไปสังเกตดูแต่ละคนในะช่วงเวลาบางทีไม่เท่ากันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยดูตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นโยมภาวนาในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมได้รอบหนึ่ง สงบเจ้าว่าก็ฟุ้งซ่านี่กลับมาสงบได้เนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยเจ็ดวันคนอื่เอาจจะไม่เท่านี้ก็ได้ลองไปดูนะแล้วจะเห็นเลยมันมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเลยสุดท้ายมันเห็นไม่มีเราหรอกมันอพอเมื่อวานเนี่ยมันค่อยจะไปดักดูะะเออก็เลยไม่เห็นดักดูไม่เห็นครับดักดูแล้วจะว่างครับนะแล้วพอนั่งจิตก็ไปรวมอยู่ ยิ่งมองไม่เห็นใหญ่ไม่รู้หายไปไหนหายไปพรหมโลกเวลาจิตรวมนะเพรับจิตเป็นพรหมรก็ถ้ากลับไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้ภาวนาดีอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็จะหาโอกาสมาที่นี่อย่าไปกังวลนะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อไม่เคยเกี่ยงเลยว่าต้องมาอยู่วัดถึงจะภาวนาแต่ว่าเวลามีโอกาสไปวัดก็ไปภาวนาถ้าไม่มีโอกาสอยู่บ้านนี่แหละทา อยู่บนถนนนั่งรถไปทำนะกินข้าวทำอาบน้ำทำจะขับถ่ายก็ทำนะจะแต่งตัวก็ทำให้มันมีสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูสบายๆดูเหมือนเห็นคนอื่นเขาทำงานเห็นร่างกายมันลุกขึ้นมาจากที่นอนเห็นร่างกายมันไปอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าล้างตาเห็นร่างกายมันไปบีผมแต่งตัวอะไรเงี้ยนะเห็นร่างกายมันไปนั่งรถอะไรเงี้ย เห็นน่างกายมันเดินเข้าที่ทํางานอย่างเงี้ยดูมไปเรื่อยแล้วจิตใจเราสุขหรือทุกข์หรือดีหรือชั่วเราก็ค่อยรู้เอานะได้ฝึกมาอย่างนี้แหละงั้นเป็นฆราวาสก็ทำได้นะไม่ใช่ฆ ร, ราวาสไม่ได้หรอกมีอะไรที่ผมต้องแก้ไขไครับศีลให้ดีนะรักษาให้ดีค่อยๆฝึกไปนะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบถ้านะทำได้อย่างนี้เราก็รักษาตัวเราได้ละ ก็ในในรอบก็มีเจริญมีเสื่อมให้เห็นนะนะครับก็อยู่อยู่กับที่บ้านก็ส่วนใหญ่จะฟุงฟงฟ้งฟุ้งฟุ้งเยอะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็วันวันแรกยังยังฟุ้งติดมาครับวันที่สองก็เริ่มดีขึ้นไม่ไม่ได้คิดคิดถึงเรื่องงานเรื่องครอบครัว อ, อะไรนะครับพอวันที่สามก็มีเสือ่อมอืเพราะว่าไปรับรู้เรื่องที่หดหูหหก็ได้เห็นว่า จิตมันรู้จักหลบหลีกมันหลบมุดหายไปเลยครับอื mm hmm. พอวันพฤหัสเช้าก็ยังหาไม่เจออื mm hmm. ครับ mm hmm. ไม่รู้ไปไหน mm hmm. อ, อช่วงช่วงสายๆเริ่มเห็น mm hmm. อืเพราะว่าจิตมาคิดเรื่องที่ตัวเองหดหู่แล้วเห็นจิตมันมันรีบตะคุบ mm hmm. หายไปเลย mm hmm. เหมือนกับไม่ยอมที่จะรับรู้ mm hmm. ไม่ยอมที่จะรับรู้เรื่องหดหู่ตัวนี้ mm hmm. พอพอรู้ทัน พอรู้ทันแล้วก็คิดว่าเอาเราไม่ได้มันทํางานของมันเองเลยเนี่ยเราไม่ได้คิดแผนการแยบยนอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็เหมือนกับเด็กเล่นซ่อนหาแล้วถูกจับได้ออื <Get S 2> <lyric later. S 1> ก็กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> กลับมาเป็นนักภาคเวลาเดินก็ชอบภาคไปเรื่อยก็ก็ดูไปเรื่อยครับตัวภาคเนี่ยฝึกหลายปีนะไปจะเลิกฝึกนานมันจะค่อยภาคเป็นปกติทุกคนอะ ครับบางทีช่วงชีวิตประจําวันก็จะเหมือนมีสองคนเถียงกันเวลาเกิดกิเลสอยู่ตลอด <c oughs> เราเป็นคนดูเฉยๆให้สองตัวมันเถียงกันไปครับเราไม่ยุ่งกับมันนะไม่ไปตัดสินนะ๋ย่มีผู้ตัดสินอีกคนนึ่งเ <c oughs> ถียงกันสองตัว <c oughs> ไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูมันทํางานไปเรื่อยๆก็ <c oughs> จะตั้งใจรักษาศีลนะครับแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบให้มากขึ้นนะครับศีลจาเป็นนะ ครับก็ขอการบ้านหลวงพ่อได้ครับเท่านี้แหละไปทำเอารักษาศีลได้ทําในรูปแบบไปนะฝึกใจให้ตั้งมัน่นแยกขันไปแล้วดูขันมันทํางานแยกขันไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้หรอกอ่ะต่อไปการนับสกการหลวงพ่อครับเอ่อเมื่อวานเมื่อวานนี้วันที่สี่ก็ช่วงเช้าจะนั่งก็เดินมาหลายวานันแล้วเมื่อยแล้วก็นั่งแล้วก็ผัดเองเคลื่อนไหวรู้ เดินตั้งหลายวันแล้วถึงจะเมื่อยแข็งแรงจริงหลวงพ่อเดินสักสองชั่วโมงก็เมื่อยแล้วครับเดินไม่ค่อยไหวก็เลยใช้นั่งพัดก็พัดได้สักพักใหญ่ฮะรู้สึกขามันก็รู้สึกว่ามันจะเมื่อยมันอยากจะเปลี่ยนทนีว่าเห็นจิต ด, ดวงนึงดวงหนึ่งก็มาสั่งว่าก็นั่งขวาย้างดิมันจะได้สบายเออทีนี้ ก็ทันทีที่บอกเนี่ยออขามว่าจะยิ่งเกิดทียทียนยากอยากอยากจะนั่งขวายห้างมันยิ่งออมีความทุกข์ยิ่งอยากอยอยากจะนั่งขวายห้างทันทีแต่ทีนี้นแต่ยังไม่ทันจะนั่งนะฮะจิตอีกดวงหนึ่งมันก็ขึ้นมาบอกเฮ้ยไม่ได้นะที่นี่พุทธรูปอยู่นะถ้าเรานั่งขวายห้างเนี่ยมันอยาไม่ไม่<ช>ไม่ถึงการเขารบใช่เอาเท้าไปชี้พระไม่ ไม่เคารพพระเจองค์ก็ทันทีที่พอบอกอดวงที่สั่งไฟห้างมันดับไปแล้วไอ้อความความปวดความเทย์เทยอทยานอยากที่ว่าอยากไฟห้างมันก็หายวับไปเลย<อ>ทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงแป๊บเดียวเองโอ้ผมก็เลยก็เลยรับใจมันก็สบายขึ้นมาสบายสินะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะไรๆมันอยู่ช่วงขณะต่อหน้านี่เองมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนี้แหละ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะเห็นได้เรื่อยๆล่ะไม่ไม่ทราบวันนี้เป็นแห่งเองเกิจิตเกิดดับไหมใช่ใช่เห็นไหมจิตตัวนี้มันบอกเราให้ไหยห้างจิตตัวนี้มันบอกว่าไม่ไดไ้ตัวน้องก็ดับเกิดตัวนี้แทนครับนะพอเราตกาลงใจอย่างนี้ให็นไหมจิตเกิดปีติมีปีติมีความสุขขึ้นมานะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนั่นแหละเราเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับดีครับโยมจะไป ปฏิบัติทาต่อที่บ้านนะจนกว่าจะหมดเวลาครับโอ้สาธุต้องอย่างนั้นเลยต้องสู้ตายนะ<ม>ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลงพุเทศอนะ่ะท่านบอกการภาวนาเนี่ยเขาทำกันทั้งชีวิตเลย<ม>ปฏิบัติกันทั้งชีวิตไม่เลิกหรอกทีแรกก็ฟังแล้วงงนี่ปฏิบัติเป็นพระอรหันตนะ์แล้วทำไมบอกปฏิบัติทั้งชีวิตว่าพระอรหันต์ก็ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ไปในพระสูตรมีนะพูดถึงสติปัฏฐานนะบอกว่าปุถุชนทําสติปัฏฐานนะเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามนะพระเสขบุคคลปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามพระอราหันต์ปฏิบัติเนะี่ยพรากออกจากรูปนามจิตพรากจากรูปนามปฏิบัติไปอย่างนั้นจิตจิตมันพรากออกมันไม่เข้าไปจับอยู่แล้วนะโดยจัดปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ เคยเห็นครูบาอาจารย์นะแก่เท่าภาวนานะขยันภาวนาแต่ละองค์แต่และองค์นั่นทำเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติตลอดชีวิตเนี่ยถูกต้องละปฏิบัติให้ได้จนลมหายใจสุดท้ายเลยหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊ตุเห็นหัวใจดวงสุดท้ายมันหยุดลงไปนะขณะสุดท้ายที่มันหยุดเนะี่ยตอนนั้นยังไม่ตายทีเดียวยังมีดีเลยทามอีกหน่อยเราอยางเห็นโอ้สมน้ำหน้าหยุดไปแล้ว เองเต้นมานานเหนื่อยใจมันจะล่าเริงนะใจมันจะไม่ฝ่อครูบ า, าอาจารงหนึ่งท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อพุธ ท, ท่านบอกว่าทุกวันนี้ท่านทํากรรมฐานนั่นเดียวเลยเห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุบตบ๊ทั้งวันทั้งคืนเลยนะท่านบอกท่านเห็นเนี้ก็ดูไปมันเลิกเต้นเมื่อไหร่ก็รู้แต่ถ้าตอนที่ท่านเล่าให้ฟังท่านยังหนุ่มอยู่มันเต้นมาอีกหลายสิบปีอยู่ เอาใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อจำเป็นนะเพื่อเจอไม่เอากราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านค่ะที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายังติดฟุงแล้วก็ติดเพ่ ง, งอยู่อะค่ะก็ให้รอนอเดินจงกรมให้แบบลองยิ้มดูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนี้ก็คือเดินเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิทุกเชา้าอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบมันเห็นความคิดมากขึ้น รู้สึกใจมันเบาขึ้นแล้วก็มีความสุขอะค่ะที่นี้มีอยู่วันนึงอะค่ะช่วงเย็นๆเดินเข้าไปในห้องแล้วก็หยิบมือถือมาว่าจะดูอะค่ะอยู่ๆก็เหมือนตาก็ไปเห็นแขนช่างซ้ายอะค่ะเห็นเป็นเหมือนแบบท่อนอะไรสักท่อนที่แห้งๆอะค่ะก็ก็เห็นไปก็รู้สึกแปลกว่าแบบมันไม่คุนอะค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แขไม่ใช่ดาวละใช่มันไม่ใช่เราวอะค่ะมันแปลกปลอมมาแล้วค่ะเห็นอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็น น, นแมันเร่เร น, นแหละค่อยฝึกนะมันจะเริ่มเห็นร่างกายทีแรกเห็นเป็นส่วนๆเห็นมันไม่ใช่เราต่ไปมันจะรู้อย่างแจ่มแจ้งนะไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นแท่งๆเป็นก้อนธาตุอะไรสักอย่างที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่สวยไม่งามไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วเนี่จะละ ความยึดถือไปเรื่อยๆค่ะคุณค่ะกรมน้ำมาสการหลวงพ่อค่ะโยมก็เห็นร่างกายมันเป็นสิ่งแปลกปลอมันเป็นสิ่งอื่นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ธาตุใช้ขันนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วมันก็มีความรู้สึกบีบคั้นนะคะค่ะให้รู้ทันเข้ามาที่จิตอีกทีหนึ่งนะค่ะถ้าจิตกลัวก็ให้รู้นะ จิตถูกบีบขั้นด้วให้รู้ ร, รู้ลงมาที่จิตก่อนเพราะว่ากําลังของสมาธิไม่พอพอไปเห็นข้าวเนี่ยใจมันยอมรับไม่ค่อยได้ทีนี้ใจเกิดวั่นไหวขึ้นมาให้รู้ทันใจที่วันไหวไว้นะแล้วใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางหลวงพ่อถึงบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่จิตเกิดไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ทันตัวนี้ก่อน ถ้าจิตมีกําลังแล้วตั้งมั่นเป็นกลางแล้วแต่ไปขันไม่ใช่เราเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหช่นั้นก็คือหมายความว่าต้องฝึกสมาธิให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะสมาธิควรจะฝึกน ะ, ะแต่ต้องฝึกให้เป็นนะ่ะอย่าไปทําสมาธิเพ่งจ้องอย่าไปรู้ลมหายใจก็จ้องลมหายใจอะไรองี้ไม่ได้กลิ่นหรอกมันเป็นสมาธิที่ใช้ทําสมถะสมาธิที่สําคัญก็คือการรู้ทันใจที่มันเคลื่อนไปนะ อย่างเช่นเราหัดพุทโธหัดหายใจอย่างเงี้ยจิตหนีไปเรารู้รู้ท้องพองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่กับท้องก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็หัดรู้ไปได้พอรู้แล้วนะมันเกิดยินดีให้รู้ทันมันเกิดยินร้ายให้รู้ทันอย่างเนี้ยเรียกว่าเราช่ำชองในเรื่องจิตน่ะเมื่อเห็นเดินถึงจิตยินดียินร้ายได้ มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นกลางกับทุกๆสิ่งแล้วก็ค่ะไปหยิบเกาะอารมณ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ไหลไปกับอารมณ์อยู่เรื่อยๆค่ะให้รู้ทันจิตที่ยินร้ายค่ะขอบพระคุณตัวนี้ตัวสําคัญนะค่ะถ้าเราเข้ามาถึงจิตที่ยินดียินร้ายได้จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยสติพอจิตเดิเป็นกลางด้วยสติแล้วก็เอาใช้จิตที่เป็นกลางนี่แหละเห็นความจริงของรูปนามไปสุดท้ายนก็เป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันเห็นความจริงของรูปนามแล้ว กลั <_: Yeah. S 2> ขอบพระคุณค่ะนศการหลวงพ่อคะ่ะเคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่ อ, อกลางปีที่ผ่านมาที่วิทยุการบินนะคะตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าก็คือได้รายงานการปฏิบัติว่าได้ไปฝึกจิตตั้งมั่นนะคะหลวงพ่อแล้วก็รูร้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เห็นว่าความโกรธกับตัวเราก็คือ มันที่เรารู้เนี่ยมันก็คือคนละตัวกันแ ล, ล, ล้วก็เห็นว่ามันดับออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้เนี่ยอยากจะจริงจริแล้วตั้งใจมาคราวนี้จะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราจะเริ่มที่จะเจริญปัญญาเดินปัญญาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเจริญปัญญาได้หรือยังเราต้องต้องเริ่มอย่า ง, างไรครับผมมันเจริญแล้วตรงที่เห็นมันเกิดดับเนี่ยเป็นการเจริญปัญญาอยู่แล้วจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญามันอยู่ที่แยกขันได แยกรูปนามได้ีเห็นว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งสุขทุกข์เป็นส่วนหนึ่งดีชั่วเป็นส่วนหนึ่งยแล้วแต่ละอันแต่ละนันจะเกิดดับให้ดูงั้นการที่เรามีใจเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนักขันมันก็ค่อยแยกแล้วเลยเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจสุขทุกข์เป็นของไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนี่ก็แยกออกไปอีกดีชั่วก็แยกออกไปอีกค่อยๆแยกไปเรื่อย ค่ะแต่ว่าเออทุกครั้งเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นในชีวิตประจําวันแต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยพอเราทําสมถะก่อนแล้วก็ตามด้วยจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอพอเราจะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยเราจะเดินปัญญาในขณะที่เราทําในรูปแบบเนี่ยค่ะมันจะเห็นความเกิดเกิดดับน้อยกว่าในชีวิตประจําวันนะคะหลวงพ่อเพราะว่าถ้าจิตสรงชานนะมันไม่ค่อยเกิดดับมันดูยาก มันไม่ค่อยมีอารมณ์มากระทบแต่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีผัสสะตลอดเวลาเลยจิตก็เปลี่ยนตลอดเวลาให้ดนะูแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในสมาธิหรืออะไรเนี่ยดูตัวนี้ได้นะตัวเวทนาเดียยเด๋ยวจิตก็สศกเดี๋ยวจิตก็เฉยเฉยหรือดูปีติอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีปีติเดี๋ยวปีติก็ดับมีความสงบความสงบก็ดับนะความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับดูพระองคฌานทั้งหลายพวกนี้ ถ้าจะทําในรูปแบบจิตทรงฌานทรงสมาธิอยู่นะก็เดินปัญญาด้วยการดูองฌานเกิดดับนะเห็นปีติเกิดดับเห็นความสุขเกิดดับเห็นอุเบกขาก็เกิดดับเหมือนกันนะดูไปอย่างนั้นมันจะไม่ใช่คงที่อยู่เฉยๆนะนี้ถ้าเราฝึกในรูปแบบชํานาญแล้วนี่ออกมาอยู่ข้างนอกนะเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบไปก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วหมุนจี๋ขึ้นมา ถ้าเราไม่เคยทําในรูปแบบมาก่อนตอนที่มันหมุนจีขึ้นมาดูไม่ทันหรอกนี่อาศัยที่เราฝึกในรูปแบบมาจนชํานาญสติสมาธิชํานาญนะมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะดูได้เยอะเพรนั้นถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบนะออกมาข้างนอกไม่เก่งจริงหรอกเดี๋ยวก็ดูไม่ออกเพนั้นที่เราดูข้างนอกได้เยอะก็เพราะเราฝึกในรูปแบบมาดีค่ะมีอะไรที่หลวงพ่อจะให้คําแนะนําเพิ่มเติม ไปดู <inequ ity S 1> ปตัวนี้นะถ้าไปจะเด่นกูเก่งกูเก่งค่ะกลาขอพรบคุณพระอาจารย์ค่ะกล่าบเป็นรัศการของพ่อครับคือร่วมเป็นเป็นประมาณสามปีแล้วที่ผมมีความรู้สึกว่าผมนอนเหมือนกับไม่ได้นอนคือตื่นขึ้นมามันจะไม่สดใสมันอะไรนะไม่ไม่ไม่สดใสเลยอ้าวเหรอแล้วก็ตัอไปหาจิตแพทย์ ก็ได้ยามาเป็นกรำเรอ oh. กินอยู่ันเป็นร่วมปีก็กลางวันมันก็คือมันยังมีเลืดของยาอยู่มันก็ซึ่งซื mm ่ง hmm. <ๆ>ทีนี้ก็พอดีเคยได้ฟังนานแพทย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าวิธีแก้ก็คือท่านบอกว่าให้เลิกยานี่เสืย mm hmm. เพราะว่ามันจะมีผล mm hmm. แล้วก็ให้เริ่มนั่งนั่งสมาธิอื mm hmm. แล้วก็ออกกําลังกายอื mm ี hmm. นี้ผมก็ทางออกกําลังกายแล้วก็ นั่งสมาธิก็คือดูโลหมหายใจแต่พ่อก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะยังต้อง ด, ดูนะว่าทําไมหมอให้กินยาคือถ้ามันเกิดจากอาการทางร่างกายนะเช่นสมองเรามีสารเคมีอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องภานานไม่ได้ช่วยอะไรนะเรื่องภานานเป็นเรื่องทางจิตใจดังนั้นถ้ามันเจ็บป่วยเพราะร่างกายเนี่ยอันนี้ต้องให้หมอเขาดูแลละ แต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจมีนะบางคนหมอรักษายังไงก็ไม่หายเอาซีดีหลงพ่อไปให้ฟังนะหายเลยไม่ต้องกินยาอันนั้นเป็นเพราะทางจิตใจของโยมเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะร่างกายหรือเพราะจิตใจถ้าเป็นทางร่างกายต้องให้หมอเขาดูแลไปแต่ว่าใจเราอะ่ะอย่าให้มันเศร้าหมองหน้าที่ของเรารักษา จ, จิตใจไปให้หมอรักษาร่างกายไป เวลานอนไม่หลับนะก็สังเกตเห็นร่างกายมันนอนหายใจไปเรื่อยๆอย่าให้มันฟุ้งซ่านร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรือหายใจไปบริกรรมไปด้วยก็ได้เมตตาคูนงางอรหังเมตมตาเมตตาคูนงางอรหังเมตตาบริกรรมไปนะดีจิตมันทรงสมาธิขึ้นมามันไม่เหมือนหลับแต่มันดีกว่าหลับอีกมัน ส, สว่างสบายร่างกายหายไปเลยทันที แล่เราอาศัยนอนนี่แหละนอนดูร่างกายมันหายใจไปนะนอนดูร่างกายมันนอนไปด้วยใจที่สบายๆจะบริกรรมช่วยไปแผ่เมตตาไปด้วยก็ได้ตัวนี้มันนอนอยู่แผ่เมตตาให้มันไปเรื่อยๆนะใจมีความสุขใจมีสมาธิขึ้นมานะใจได้พักผ่อนนะลองดูนะส่วนเรื่องยาหลงพ่อตอบไม่ได้ว่าควรเลิกไม่เลิกนะเพราะหลวงพ่อไม่มีความรู้ทางหมอเลย ทีนี้ผมเริ่มฟังหลว ง, งพ่อในทางทางอินเทอร์เนต็ตมาตั้งแต่ต้นเดือนมามก็เริ่มหัดมาเรื่อยๆหลวงพ่อถามบ้างโยมเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเริ่มงพร้องเห็นนะครับรู้สึกไหมว่าใจมันสว่างสบายขึ้นมาดูออกไหมดีครับนั่นแหละไปฝึกต่อนะครับขอบพระคุณครับแล้วถ้านอนไม่หลับนะก็เห็นร่างกายมันนอนไปนะ ร่างกายกับใจคนละอนกันร่างกายมันนอนใจเป็นคนดนะูถ้าจะให้ใจมันนอนก็บริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆใจก็จะสว่างสวัยใจได้พักนะจะเรียกว่าใจหลับก็ไม่เชิงนะมันพักยิ่งกว่าหลับอีกกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับ ก็ผมขอน้อมนําการปฏิบัติบูชามาให้หลวงพ่อนะครับคือล่าสุดก็คือเดินจงกรมเนี่ยติดต่อกันในรูปแบบนะครับก็2เดือนแล้วครับพอดีผมอยู่ที่ภูเก็ตล่าสุดไปส่งการบ้านหลวงพ่อก็หลวงพ่อบอกว่าใจยังไม่ตั้งมั่นขึ้นมาก็คือว่ามันจะอยู่รอบๆบนะครับตอนนี้ก็คือว่าพอจะรู้ว่าว่าตั้งมั่นเป็นยังไงคือแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําครับว่า จะต้องปฏิบัติยังไงต่อไปบ้างนะครับเวลาเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นมีสองอันอันนึงตั้งถูกอันหนึ่งตั้งผิดจิตที่ตั้งถูกเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะตั้งแต่เกิดจากเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลเมอเรารู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยจิตมันตั้งขึ้นเองจิตมันจะมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนสบายนะรู้เนื้อรู้ตัว นี้พอเราเคยเห็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วบางคนมันจําได้ก็จงใจทําจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่จงใจตั้งมั่นขึ้นมามันจะแข็งแข็งนะไม่เดีอ่ะจะกระด้างไปจะแข็งแข็งแน่นแน่นนิดหน่อยนะถ้าจงใจมากก็แน่นมากแต่เวลาบางทีขณะที่เดินนะครับเดินเดินไปอยู่มันก็ยิ้มของมันเองอคือเราก็เห็นร่างกายว่าเออมันยิ้มของมันบางทีมันอัตโนมัติเลยของมันอ่ะจับอะไรเงี้ยครับดีกว่าร้องไห้ดีกว่าหน้าบึ้งเนาะครับ เดินยิ้มหลวงพ่อยิ้มทั้งมันอ่ะครับก็คือว่าให้ดูใจที่ตั้งมั่นว่าถ้าเกิดว่าโป่งโล่งเบานี่คือว่าตั้งมั่นจริงๆใช่ไหมใช่ถ้าแน่นๆขึ้นมาแสดงว่าจงใจตั้งไว้นะถ้าฝึกไปครับขอบคุณครับหมดแล้ว ล, ละไป